ข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเมื่ออาตมาภาพถามอย่างนี้อุทกดาบทรามาบุตรจึงประกาศในวสัญญานาสัญญาญาตนะสมาบัตแกอ่อาตมาภาพอาตมาภาพจึงคิดว่ามิใช่แต่อุทกดาบทรามาบุตรเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิ มิใช่แต่อุทกดาบทรามบทเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญาทางที่ดีเราควรเริ่มบำเพ็ญเพียรเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่อุทกดาบทรามบทประกาศว่าข้าพเจ้าทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานอาตมภาพก็ได้ทําให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้น อาตมภาพจึงเข้าไปหาอุทโขดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทําให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออุทโขดาบทรามบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทําให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลอาตมภาพจึงกล่าวว่า แม้ข้าพเจ้าก็ทําให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุทกดาบทรามบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของผู้ข้าพเจ้าผู้ข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรหมจารีเช่นท่านเพราะข้าพเจ้ารามะประกาศว่าข้าพเจ้าทําให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่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 มาเถิดบัดนี้ท่านจงบริหารคณะนี้ราชกุมารอุทกดาบทรามบุตรทั้งที่เป็นเพื่อนพรหมจารีของอาตมาภาพก็ยังยกย่องอาตมาภาพไว้ในฐานะอาจารย์และบูชาอาตมาภาพด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่อาตมาภาพคิดว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นอาธมภาพไม่พอใจเบื่อนายทำนั้นจึงลาจากไป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 ที่นี้เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรอุปมาสามข้อราชกุมารครั้งนั้นอุปมาสามข้ออันน่าอัศจ ร, ร์อย่างยิ่งซึ่งอาตมาภาพยังไม่เคยได้ยินมาก่อน ได้ปรากฏแก่อัตมาภาพคือ 1. เปรียบเหมือนไม้สดมียางที่แช่อยู่ในน้ำบุรุษนำไม้นั้นมาทำไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นราชกุมารพระองค์เข้าประทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นนำไม้สดที่มียางซึ่งแช่อยู่ในน้ำมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหม ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะไม้สดนั้นมียางทั้งยังแช่อยู่ในน้ำบุรุษนั้นก็มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยลําบากเปล่าราชกุมารอย่างนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึง่งมีกายและจิตยังไม่หลีกออกจากกามยังมีความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหาย และความกระว์กระวายในคามทั้งหลายยังมิได้ละและมิได้ระ ง, งับอย่างเบเ็ดเสร็จในภายในสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นแม้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตัดสรู้อันยอดเยี่ยมแม้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียร ก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตัดสรร้อันยอดเยี่ยมนี้เป็นอุปมาข้อที่หนึ่งอันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งอาตมาภาพยังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เรา2เปรียบเหมือนไม้สดมีอย่างที่วางอยู่บนบกห่างจากน้ำบุรุษนำไม้นั้นมาทำไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะ ก, ก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นราชกุมาร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 เปรียบเหมือนไม้ที่แห้งสนิทซึ่งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำบรุษนำมาทำเป็นไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะป่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นราชกุมารพระองค์เข้าพระทัยความข้อนั้นว่ายอย่างไรบรุษนั้นนำไม้ที่แห้งสนิทซึ่งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมได้พระพุทธเจ้าข่า พ่อนั้นพระเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะไม้แห้งสนิททั้งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำราชกุมารอย่างนั้นเหมือนกันสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายและจิตหลีกออกจากกามแล้วทั้งละและระงับความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหายและความกระวนกระวายในกามทั้งหลายได้อย่างเบ็ดเสร็จในภายในแล้ว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 ซึ่งอาตมาภาพยังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่อาตมาภาพราชกุมาร น, นี้คืออุปมาสามข้ออันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งอาตมาภาพยังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่อัตมาภาพ ทรงบำเพ็ญทุกขระปริยาราชกุมารอาตมภาพนั้นมีความดาริว่าทางที่ดีเราควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิต ท, ทำจิตให้เร่าร้อนอาตมภาพนั้นก็กดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิต ท, ทำจิตให้เร่าร้อนเมื่ออาตมภาพทำดังนั้น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 มีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออัตมาภาพถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียแทงอยู่กายของอัตมภาพก็กรวนกระวายไม่สงบระงับราชกุมารอาตมาภาพจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปรานเถิดอาตมาภาพก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูก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 อาตามภาพปราบราบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออาตามภาพถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียแทงอยู่กายของอาตามภาพก็กระวนกระวายไม่สงบระงับอาตามภาพจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปรานเถิดอาตามภาพก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหู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 อาตมภาพปรารบความเพียนไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออาตมภาพถูกความเพียนที่ทนได้ยากนั้นเสียแทงอยู่กายของอาตมภาพก็กระวนกระวายไม่สงบระงับอาตมภาพจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณเถิดอาตมภาพก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหู เมื่ออัตมาภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีทุกขเวทนาในศีรษะอย่างแรงกล้าคนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวขันศีษะแม้ฉันใดเมื่ออัตมาภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีทุกขเวทนาในศีษะอย่างแรงกล้าฉันนั้นเหมือนกัน อาตมาภาพป ร, ราบความเพียนไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออาตมาภาพถูกความเพียนที่ทนได้ยากนั้นเสียแทงอยู่กายของอาตมาภาพก็กระวนกระวายไม่สงบระงับอาตมาภาพจึงมีความดาริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปรานเถิดอาตมาภาพก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหู เมื่ออัตมาภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูลมอันแรงกล้าก็บาดในช่องท้องคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีทท้องแม้ฉันใดเมื่ออัตมาภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหู ก็มีลมอันแรงกล้าบาดในช่องท้องฉันนั้นเหมือนกันอาตมาภาพปราบรับความเพียนไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออัตมาภาพถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียแทงอยู่กายของอัตมาภาพก็กรวนกระวายไม่สงบระงับอาตมาภาพจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปรานเถิด อาตมาภาพก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่ออาตมาภาพกลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีความกโกลงกระวายในร่างกายอย่างแรงกล้าคนที่แข็งแรงสองคนจับแขนคนที่อ่อนแอกว่าคนละข้างย่างให้ร้อนบนหลุมถ่านเพลิงแม้ฉันใด เมื่ออัตมภาพกลั่นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีความกรวนกระวายในร่างกายอย่างแรงกล้าฉันนั้นเหมือนกันอาตมภาพปราราบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่ออัตมภาพถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียแทงอยู่กายของอัตมภาพก็กรนกระวายไม่สงบประงับ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 การอยู่เช่นนี้นั้นเป็นวิหารธรรมของท่านผู้เป็นพระอาหารหันต์ราชกุมารอาตมภาพจะมีความดําริว่าทางที่ดีเราควรปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างขณะนั้นเทวดาทั้งหลายเข้ามาหาอัตมภาพแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ท่านอย่าได้ปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างถ้าท่านจะปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่าง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 จึงเป็นเหมือนเทาวันที่มีข้อมากหรือเท้าวันที่มีข้อดำเนื้อสะโพกก็รีบเหมือนกีบเท้าอูดกระดูกสันหลังก็ผุดเป็นน้าเหมือนเทาวันซี่โครงทั้งสองข้างขึ้นสะพังเหมือนกรอนสาลาเก่าดวงตาทั้งสองก็ลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนดวงดาวปรากฏอยู่ในบ่อน้ำลึกหนังบนศีรษะก็เหี่ยวหดเหมือนลูกน้าเต้าที่เขาตัดมาขณะยังดิบ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 จึงใช้ฝ่ามือลูบตัวขนทั้งหลายที่มีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกายเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยมนุษย์ทั้งหลายเห็นอัตรมภาพแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคโดมดำไปบางพวกก็กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมไม่ดำเพียงแต่คล้ำไปบางพวกก็กล่าวอย่างนี้ว่าไม่ดำไม่คล้ำเพียงแต่พร้อยไป เรามีผิวพันธ์บริสุทธิ์เปล่งปลั่งเพียงแต่เสียผิวไปเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยเท่านั้นราชกุมารอาตมภาพนั้นมีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตเสวยทุกเวทนากล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรทุกเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เคืงกว่านี้ไปสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคต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 อันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยทุกขระกิริยาอันเผ็ด ร, ร้อนนี้จะพึงมีทางอื่นเพื่อการตัสรู้บ้างไหมอาตมาภาพจึงมีความดำริว่าเราจำได้อยู่เมื่อคราวงานของเท้าสักกาธิีปดีซึ่งเป็นพระราชบิดาเรานั่งอยู่ใต้ต้นว่าอันร่มเย็นได้สังัดจจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ทางนั้นพึงเป็นทางแห่งการตรัสรู้หรือหนออาตามภาพมีความรู้แจ้งที่ตามระลึกด้วยสติว่าทางนั้นเป็นทางแห่งการตรัสรู้อาตามภาพจะมีความดําริว่าเรากลัวความสุขที่เว้นจากกามและอุิยธรรมทั้งหลายหรืออาตามภาพก็ดําริว่า เราไม่กลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเลยราชกุมารอาตมาภาพจะมีความดำ่งเรตต่อไปว่าเราผู้มีกายสู้พอมากอย่างนี้จะบรรลุความสุขนั้นไม่ใช่ทําได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกลุ่มมาสตอาตมาภาพก็ฉันอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกลุ่มมาสตครั้งนั้น ภิกษุปัญจวคีเฝ้าบำรุงอัตมภาพด้วยหวังว่าพระสมณะโคโดมบรรลุธรรมใดจะบอกธรรมนั้นแก่เราทั้งหลายเมื่อใดอัตมภาพฉันอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกลุ่มมาดเมื่อนั้นภิกษุปัญจวคีนั้นก็เบื่อนายจากไปด้วยเข้าใจว่าพระสมณะโคโดมมากๆคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากมากเสียแล้ว และวิชาสาราชกุมารอาตามาภาพชั้นอาหารยาให้ร่างกายมีกําลังสังัดจาักรกามและอกุสุลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมชาญที่มีวิตกวิจารณปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารณ์สงบระงับไปบรรลุทุติยชาญมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์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 ตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้อาตมาภาพนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวยายาัคยญาณรู้แช่ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธโรคาม่นีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรดนี้อาสวะนิโรธาโรคาม่นีปฏิปทาเมื่ออาตมาภาพรู้เห็นอยู่อย่างนี้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 ราชกุมารอาตามภาพนั้นได้มีความดําริว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตักกะละเอียดบัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้ส่วนหมู่ประชาผู้รื่นรมด้วยอาไลยินดีในอาลัยเพลิดเพลินในอาไลฐานะที่หมู่สัตว์ผู้เริ่นรมด้วยอาไลยินดีในอาลัย เลือเลในอาลายนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทัปปัจจยตาความที่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้หลักปฏิจจสมุปบาทการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันอาศัยกันจึงเกิดมีถึงแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนะักกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดทิ้งอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตันหาวิราคะนิโรธนิพพานก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรมและผู้อื่นจะไม่เข้าใจซึ่งต่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เราอันหนึ่งเล่าคาถาอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้ที่ไม่เคยสดับมาก่อนได้ปรากฏแก่เราว่าบัดนี้เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราบรรลุด้วยความลาบาก เพราะธรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่ายแต่เป็นสิ่งที่พาทวนกระแสละเอียดลึกซึ้งรู้เห็นได้ยากประณนีตผู้กำนัดด้วยราคะถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้จะรู้เห็นไม่ได้ราชกุมารเมื่ออาตมาภาพพิจารณาดังนี้จิตก็น้อมไปเพื่อความขนขวายน้อยมิได้น้อมไปเพื่อแสดงธรรม สหัมบดีพรมอาราธนาแสดงธรรมครั้งนั้นสหัมบดีพรมทราบความดำริในใจของอัตมาภาพด้วยใจของตนจึงได้มีความรำพึงว่าท่านผู้เจริญโลกจะฉิบหายหนอโลกจะพินาศหนอเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระไทยไปเพื่อความขนขวายน้อยมิได้น้อมพระไทยไปเพื่อทรงแสดงธรรม ลำดับนั้นสหัมบดีพรมอันตรธานจากพรมโลกมาปรากฏณเบื้องหน้าอัตมาภาพเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าแล้วข่มอุตราสงเฉวียงบ่าประนมมือมาทางทิศ ท, ที่อัตมาภาพอยู่ได้กล่าวกับอัตมาภาพว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมขอพระสุคตเจ้าได้โปรดแสดงธรรม พระสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมเพราะไม่ได้สดับธรรมสัตว์เหล่านั้นจะเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมสะหัมบดีพรมได้ทูลอาราธนาดังนี้แล้วได้ทูลเป็นคาถาประพันธ์ต่อไปว่าในการก่อนทรรมที่ไม่บริสุทธิ์อันคนที่มีมนทินคิดค้นไว้ปรากฏในแคว้นมคธพระองค์โปรโรง์เปิดประตูอมาตะธรรมนั้นเถิด ขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระสัมพุทธเจ้าผู้ประศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วตามลำดับข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญาดีมีพระสมันตะจักสุบุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาสิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบชั้นใดพระองค์ผู้หมดความโศกแล้วโปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทคือธรรมจักได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศก และถูกชาติชาราครอบงำได้ชัดเจนฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรผู้ชนะสงครามผู้นำหมู่ผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นสเสด็จจาลิกไปในโลกข้าแต่พระผู้มีประภาคขอพระองค์โปรดจงทรงแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายจากเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรม เวนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัวราชกุมารครั้งนั้นอาตมาภาพรับคำทูลอารัตนาของพรมและเพราะอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีทุลีในดวงตามากมีอินทรีแขกกล้ามีอินทรีอ่อนมีอาการดีมีอาการซาม สอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวบางพวกเห็นประโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัวในกออุบลบัวขาบในกอปทุมบัวหลวงหรือในกอบุนทริกบัวขาวดอกอุบลดอกปทุมดอกบุนทริกบางดอกที่เกิดในน้าเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้า และมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกอุบลดอกปทุมดอกบุนทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ ำ, นนำอยู่เสมอ น, น้ำดอกอุบลดอกปทุมดอกบุนทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่พ้นน้ำไม่แตะน้ำแม้ฉันใดอาตมาภาพเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีทุลีในดวงตามาก มีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกเห็นปราโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวบางพวกเห็นปราโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัวก็ฉันนั้นเหมือนกันลำดับนั้นอาตมาภาพได้กล่าวคาถาตอบเท้าสหัมปดีพรมว่าพรม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 ทรงรำพึงถึงผู้ควรรับธรรมเทศนาราชกุมารครั้งนั้นสมบดีพรมทราบว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอกาสเพื่อจะแสดงธรรมแก่เราแล้วจึงถวายอภิวาตอัตมาภาพกระทำประทักษิณแล้วได้หายไปจากที่นั้นราชกุมารอาตมภาพดาริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนเนาใครจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลัน แล้วดำริต่อไปว่าอลาระดาบทกาลมโครนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีทุลีในดวงตาน้อยมานานทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่อลาระดาบทกาลมโครก่อนเธอจกรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันครั้งนั้นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาอาตมาภาพแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อาระดาบทกาลามโครทำกาละได้เจ็ดวันแล้วอันหนึ่งอตาตมภาพก็ได้เกิดยาณทัศนะขึ้นว่าอาระดาบทกาลามโครทำกาละได้เจ็ดวันแล้วจึงดำริว่าอาระดาบทกาลามโครเป็นผู้มีความเสื่อมจากคุณอันยิ่งใหญ่แล้วหนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ก็จะพึงรู้ได้ฉับพลันอนตาตมาภาพจึงดำริว่า เราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจกรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันจึงดำริต่อไปว่าอุทกดาบทรามบุตรนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีทุลีในดวงตาน้อยมานานทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่อุทกดาบทรามบุตรก่อนเธอจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันลำดับนั้นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาอาตมาภาพแล้วกล่าวว่า ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญอุทกดาบทรามบุตรได้ทำกาละเมื่อวานนี้อันหนึ่งอาตมาภาพก็ได้เกิดยานทัศนะขึ้นว่าอุทกดาบทรามบุตรได้ทำกาละเมื่อวานนี้จึงดำริว่าอุทกดาบทรามบุตรเป็นผู้มีความเสื่อมจากคุณอันยิ่งใหญ่แล้วหนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ก็จะพึงรู้ได้ชบพลัน